ข้าสามนุ่นเย็นข้าสามมีขาบันใจบันทบานผมไม่เคิเหนพระบโอ่งพระเดินอ้เกียวกับโลกสงสารนั่นเราอยู่ในโลกโลกกับคำอยู่ด้วยกันพระกับคารวะอยู่ด้วยกันพระแต่ละอง เมามีพ่อมีแม่ซึ่งเป็นคาราวาสอยู่เทื่อประเทศไทยและทั่วโลกความเขี่ยวโยงมันยังมีต่อกันอย่างนี้เมื่อมีความจาเป็นก็ต้องหัว ใ, ใจของโลกชาวพุทธเราก็พึ่งธรรมทั้งนั้นเมื่อพึ่งธรรมแล้วไม่พึ่งพระจะพึ่งใครเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว พระกับกาศหนากับกาศโลกก็ต้องเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็การปฏิบัติก็มีการเกี่ยวเนื่องอต่อกันที่เราได้ศึกษาพยายามปฏิบัติต่อโลกอย่างนี้โลกภายนอกโลกภายใน โลกภายในคือพระเจ้าประสงค์เรียกว่าโลกภายในโลกภายนอกคือสัตว์โลกทั้งหลายครับจะประชาชนออกไป <c oughs> เรียกว่าโลกทนั้นซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันตลอดมาแม้แต่สัตว์ทั้งหลายเขาก็อาศัยกันโลกภายนอกภายในคือประชาชนกับ หรือข้ก้าด้อนาก็ต้องมีความเขี่ยวโยงกันอย่างถึงต้องในเนื้อนำสั่งสอนเพราะมีความผิดถูกชั่วมีเช่เนเดียวกันเมื่อเป็นถึงนั้นผลได้ผลเสียมันถึงเกี่ยวโยงกันตลอดเวลาที่อ่ต่ออาศัยแนวทางแห่งธรรมเป็นเชื่อที่เนื้อแนวทางและพาดํ า, า, น า, าดเนินตามในสิ่งที่ ดำเนินตามได้อย่างไรถึงจะได้ช่วยโลกตลอดมาด้ยเหตุนเองจริงไม่ค่อยดอมีเรล่อเวลาและนำต่างสอนพระเดินพระเดินทุกองให้มีความมั่นคงอยู่ภายในใจิตใจตามเพศของตนเพราะว่าเป็น ลูกกาถาคตบพระพุทธเจ้าทรงทาดำเนินปฏิบัติอย่างไรขอให้พากันปฏิบัติดำเนินตามนั้นอย่าปี๋อย่าวะจากหลักธรรมหลักวินยัยซึ่งเป็นองศาจลาหรือพ่อของเราไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้ถือเป็นของสำคัญ ที่จะต้องละและบำเพ็ญเช่นเดียวกันหมดอย่าเอียงไปสู่ภายนอกซึ่งมีแต่พื้นจากไฟทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของโลกล้วนๆทำจะมีแท้ตั้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของโลกก็คือเรื่องของที่เหลือเรื่องของที่เหลือนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของพื้นของไฟ พระเข้าไปกับความหรอบรลวตรงต้มถุนของทิเหลืให้สร้างความหวังความคิดต่ตางๆจนกลายเป็นควาเมเพ่งเพ้อเหมอไม่รเมืเ่อดุจวัวขึน้นมาแล้วก็ชุกชากจาโลกให้เต็มใจในทางผิดมากกว่ามากที่จะเป็นไปในถูกนั้นมีน้อยถ้ามีทเข้าไปแต่เราเป็นพระ หน้าที่การงานของพระสมบูรณ์แบบจากความเป็นพระของเราแล้วตามหลักธรรมนี้ในที่สมบูรณ์แบบรู้แล้วด้วยมรรคผลนิพพานที่ผู้ดำเนินตามทางศาสนาท้่แนะนำสั่งสอนเลยแล้วปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานนั่น ประกาศกลางวานอยู่ในหัวใจและยิยาความเคลื่อนไหวของผู้บำเทิญตามทางของสายาไม่มีเครื่องขายเป็นแต่เพียงว่าหากว่าเราจะเทียบก็เหมือนกับเขาคุดบ่อหาน้าม่าน้ำมีลึกมีตื้นต่างกันเท่านั้นเรื่องน้ำในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่ทั่วไปหมด กางขุดน น, นั่นก็มีฐาน้ําที่ลึกตื้นต่างกันตาอมองนิสระขอบบุคคลซึ่งหน้าบานต่างกันนั่งค้งคดอาการก็รู้สึกว่าน้าตื้นจะมีอยู่มากฐานน้ า, ท, า, นาที่อยู่ข้นตื้นมีอยู่มากแลวก็ลึกจงไปเป็นลำดับลำลา หากมีน้ำทั้งนั้นเนี่ผู้บำเพ็ญทำตามกล า, างของศาสตร า, ศาจึงมีบอกไว้ว่าคิดพาพิญญาท่านพาพิญญาผู้ได้ช้าและผู้ผได้เร็วและผู้ได้ไดช้าเพราะต่าน้ำลึกตื้นต่างกัน การปฏิบัติบำเพ็ญก็มีการมำมิถึงขนเป็นระยะๆไปเป็นกระทั่งผนลัพธ์ผลผ่านโดยชุ่มบูมีความท้าความโบ่ต่างกันข้อนั้นเราอย่าไปําหนิดติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดให้ติดเตียนหรือชมตัวของเราผู้บำเพ็ญเองซึ่งเป็นประหนึ่งว่าตาน้ำของเรา ได้แก่มักผลนิพานกับที่เล็กที่มุ่งออกจิตใจนั้นมีหนาบางต่างกันอย่างไรบ้างถ้าที่เล็กเบาบางเราก็ไม่จําเป็นต้องลําบากสมบุญขุดถุงขุดบอกหาน้ําให้ลําบากจนบนอะไรมากนักพอเลยแล้ความสเสนอบรรลุมักผลนิพานขึ้นมาตามความต้องการต้องการดังมีไ ว, แว้แล้วในครั้งที่ บางองค์เพียงได้ฟังธรรมนีเกี่ยวเท่านั้นก็บรรลุธรรมขึ้นมาองค์ก็แคบเริ่มแก่ตายถิงในบรรลุธรรมบางองค์ก็เหลวแหลกแอกแนวกลายเป็นเทวทั์เป็นฆาตึาิสัตว์ต่อปัสนาและขอสายหมาดดังที่เราเห็นอยู่นั่นแหละมีมีพูดย่อๆให้พวามพอนี้กับเรื่มงล มึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตนในความเป็นพระอย่าลดลาวาสอจากความเป็นพระจะตากการดำเนินทำทำวินัยของศาสนาคว า, าม อ, อกอุ่นจะไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัตินอกตามาวามิธีวินัยของพระพุทธศาสาเท่านั้นเราจะหาความสุข ภายนอกจากทำนี้ก็เป็นเรื่องของพิเลกทั้งหมดเป็นพื้นเป็นไปทำให้โยกเกิดร้อนยุ่นวายทุกหยอมยากมองไปที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันแต่ก็มีเครื่องปิดบังสัตว์โลกม่ให้เห็นโทษเห็นกรรมของตัวเองที่หลงลุ่มหลงยิ่งไปตามพิเลก วากันดีบขึ้นวุ่นวายทั้งจับน้ําสำบกมนุษย์และจับโลกทั่วไปเดือดร้อนวุ่นวายเพราะที่อยู่บังคับอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะแก้ได้ด้วยธรรมแต่ศาสตร์โลกเขาไม่ทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรสําหรับพระเหล่านี้พูดแต่น้อยปุ๋ยเปอร์เซนต์บาตรธรรมเป็นอย่างไรรู้แล้วนี่เราปฏิบัติธรรม ขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อการปฏิบัติธรรมและวีไนอยากให้ปิดให้แววพระวีัยเป็นด้วยกันห้ามไม่ข้ามออกไปจะโดนขวากโดนน้ําโดนถึงโดนไฟเพราะเป็นความผิดทั้งหมดความถูกต้องอยู่ในกรอบของธรรมของวีไยไม่เท่านั้นที่จะถอดถอนฆ่าสุดดีความผิดพลาด ให้แกะพวกที่ ต, ตันหาพาให้เส็นั่นให้เบาบางลงไปด้วยการพระวิบัติตามพระวิัยนี้เท่านั้นทาเป็นทางเดินเดินตามจุดศูนย์กลางสองข้าทางเตืนพระวิใยขั้งนาไว้ข้ามไม่ข้ามออกไปสิ่งได้ที่พระพุทธเจ้าทรงข้ามแล้วยาฝืนจะ เอาทีรเข้ามาเป็นตัวอํานาจพาให้หลงงองายไปกล่าวว่าไม่สําคัญสําคัญตุวท้ายก็คือผู้ไม่สําคัญได้แก่กตัวของเราเองนั่นแหละเนี่ยเราสร้างความสําคัญของเราขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักตามหลักนี่ไหนเรื่องนักแห่งนิานประกาศกลางวันอยู่กับการปฏิบัติธรรมนี่ไหนทำนี่ ความเท้มแข็งมีวิยะธรรมความอุตสาหะพยายามขั น, รรนติธรรมความอดทนสมิธรรมปัญญาธรรมเช่นภาระอ้าพันแสงไว้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นภระธรรมเป็นธรรมที่มีกำลังมากที่จะบุกเบิกเพิกถอน ช่วงช้าละมกออกใส่ใจโดยไม่ต้องเสียใสซึ่งท่านพาดดำเนินมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองเมื่อใหแนะนำต่างสอนพระสงฆ์สาวกและสัตว์ทั้งหลายื่องมาจนกระทันี้ทงอยากให้ทำห้าประเภทคือศรัทธาวิริยะสติจะมัธิปัญญาในทางกายจักรของเราอยู่ที่ไหนให้มีสติ สตินี่สำคัญมากนะสติสำคัญเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไอปัญญาหากจะค่อยเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะในเมื่อเจ้าของนำมาใช้ปฏิบัติตามอย่าคุ้นอยากชินกับผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งกว่าความสันิติดใจกับอัดสัตย์ทำลุ้ยทำภาประการคือ สิ่ี่ห้าละห้านี้เท่านั้นหนึ่งที่ตั้ง อ, อกประชาชนยากโยมมีมากมีน้อยอยาไปคุ้นกับใครเลยจะเป็นการสร้างความประมาทขึ้นใส่ตัวเองแล้วก็เป็นจืงเป็นไปขลุกวามไปเรื่อยกลายเป็นพระสร้างแต่ความเสียหายให้คนไม่มีสีธรรมประจําตนเล ย, ยหไอ้ฟากันจามอาอววันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากไปนะ ทั้งล่าทั้งตาปฏิมาเพื่อมักผลมิพานซึ่งประกาศท้าทายอยู่ในหนัวใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละในเรื่องพิเลศกัรหาตัวมือตัวอดมันก็ท้าทายลบล้างมักผลมิพานจากศากสนาความเข้าวิีเ่าว่าไม่มีไม่ย้ำซ้ำยังลบล้างเขาอีกว่าศาสนาไม่มีความหมายนี่เป็นเรื่องของพิเลศ เหยียบยาำทำลายทำในหัวใจของเราเนี่แเป็นบางการมันเกิดขึ้นได้ในแน่ในแน่ ใ, นน ใ, นนในบรรดาที่เลทั้งหลายเหล่านี้เกิดได้ทั้งนั้นทำบุกเบิก เ, เพิกถอนออกให้หมดพระพุทธเจ้าจแสดงไว้อย่างไรให้เชื่อทำอย่าเชื่อที่เล่ถ้าเชื่อที่เลวเขาเท่ากับเชื่อหรือสร้างความล้มเหลวขึ้นกับตัวของเราเองนั่นแหล มีความแน่นนามั่นคงด้วยทำห้าประการมีสติทมเป็นสำคัญตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่ด้วยกันมีจำนวนมายาไปถือว่าใครเป็นภัยต่อตัวเองใครไม่ถูกใจตัวเองรอะคนนั้นไม่ชอบคนนี้ยิ่งกว่าให้ดูความเคลื่อนไหวของใจที่มันจะไปคิดว่าใครไม่ดี คือตัวนั้นแหละไม่ดีตัวคิดนั่นแหละผู้ดีก็คือตัวคิดนำออกมาเป็นคติถ้าเห็นคนอื่นดีนำมาเป็นคติเห็นคนไม่ดีมคนอื่นไม่ดีซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเตือนเราก็ให้ปัดออกจิตใจจากจิตใจของเราอย่ามาถือเป็นอารมณ์ดูตัวเองใครและคุณอยู่กับทุกคน เวลานี้เรามารักษาคุณบำเพ็ญคุณปฏิบัติปัดเตาสิ่งที่เป็นภัยออกจากใจด้วยเหตุนี้เองพระทั้งวัดพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันให้ถือเป็นอะไรโนอวัยวะเดียวกันไม่มีชาติชั้นวันละนับแต่องคศาสดาลงมา หาสาวกทั้งหลายไม่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์เป็นคนทุกข์ท้ายเฉื่อยใเป็นคนประเภทนั่นประเภทนี้หรือเป็นศาสกะยะบุตรของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยเราถืออย่างนั้นแล้วอยู่หาสุเยียนใจและถูกต้องตามธรรมการทำมิติเกียนหรือไม่ดีกันอย่างไรก็ให้เตือนกันโดยธรรม ผู้ฟังขอให้ฟังโดยธรรมเพื่อความสักดิความจริงมาปฏิบัติต่อตนเองผู้เสือสอนก็ให้สอนด้วยความเมตตาสาอสฝายเพื่ออนุเคราะห์ผู้ผิดพ่าดจริงๆผู้ผิดพลาดก็เห็นโทษของตนเพื่อเอาความดีจากท่านผู้แนะนำสั่งสอนมาเป็นประโยชน์แก่ตนจริงๆนี่คือว่าเป็นความถูกต้องทั้งสฝ่าย ให้อยู่ด้วยกันเป็นพาะสุและความขยันหมั่นเพียรหน้าที่การงานภายนอกที่เกี่ยวกับส่วนลวงก็ขอให้มีความตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติเข้มแข็งทั่วหน้ากันปฏิบัติการปฏิบัติต่อตัวเองก็มีความเข้มแข็งทั่วถึงในตัวของเราและทั่วหน้ากันเช่นเดียวกัน การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ผมก็เคยพูดให้ฟังมาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปีนี่แล้วผมไม่มีอะไรสงสัยในโลกนี้สอนมู่สอนเพื่อนด้วยความเมตตาสูงยังที่ช่วยโลกเวลานี้ก็ช่วยทั้งด้านวัตถุช่วยทั้งด้านศีลธรรมเข้าภายในใจศีลธรรมเป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุไอเรื่องด้านวัตถุอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ ทั่วไปไม่โอดอยากขาดแคลนความโอดอยากขาดแคลนก็คือความดีได้เกิดสิ่งทำประจําสัตว์โลกมีไม่เราไม่อยากจะพูดว่าไม่ค่อยมีเอาไวา้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีนรู้สึกเจ็บทันหนักมากแต่ให้พอเหมาะว่ามีน้อยมากสิ่งทำภายในสัตว์โลกเพราะกานความเดือดร้อนของโลกจึงมีทุกจอมยาเราจะไปคิดว่า บ้านนั้นจเจริญบ้านนี้จเจริญเมืองไหนจเจริญนี้เป็นด้านของอหัวใจที่มองไปตามเทเลทซึ่งจะพาเจ้าของให้ดีดีนไปเพื่อความรุ่งร้อนรุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นทั่วหน้ากันหมดทั้งนั้นเนี่อย่าไปสนใจความเตื่ก็ดีความเจริญก็มีความสุขความทุกข์ ท, กที่เกิดขึ้นจาก ตามทำชั่วและดีก็ดีมันอยู่ที่หัวใจของทุกคนอยู่ที่หัวใจไม่มีผู้มาละมาทาบุเบิร์กเถของตามหลักธรรมแล้วก็หาตามไปไม่ได้จึงต้องมีธรรมธรรมยิียกว่าศาสนานั่นเนี่ยศาสนาธรรมธรรม ท, ที่เป็นคําสอนนั้นถูกต้องดีงามของสว์โลกก็คือสามศาสนา หมายถึงทำของศาสน า, ศ า, ศ า, ศาองค์สิ้นีปส่วนศาสนาอื่นใดนั้นมันเป็นไปตามกำลังวาสนาของผู้มาเป็นศาสดาอย่างไรก็ไม่คน้นจะความเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของศาสนาจะหาความแน่นอนไม่ได้ความถูกต้องเพรความผิดพลาดจะเป็นไปตามเป็นไปด้วยกันกับศาสนานั่นนั้น แต่พุทธศาสนานี้ไม่มีมีแต่ความถูกต้องแน่ยางสอนโลกก็เรียกว่าสวัาขาิธรรมการใช้ชอ้อด้วย่าอย่างให้พากันปฏิบัติยังไนการอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเืลิงเป็นไฟทั่วโลกกันเวลานี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุวันทุวันมองไปที่ไหนนี่จะดูไม่ได้นะแต่ดูโดยธรรม มีธรรมภายในใจหรือใจเป็นธรรมอย่าโลกจะร้อนเราก็ดูด้วยความไม่ร้อนของเราโดยถ้าพูดแบบภาษาของโลกว่าสนุก ด, ดูโลกดูฌองฝานดูที่เละปัญหาที่มีอยู่รอบตัวของใจที่เป็นธรรมยนรวนแล้วนิ่และพระพุทธเจ้าที่มีพระภัยเป็นธรรมยนรวนแล้วดูแต่โลกด้วยโกกยกรวิถู มุ่งแค่เห็นชั ก, กทุกชัตว์ทิเพื่อเห็นชาติทุกชาต์ทิส่วนไม่สงสัยอะไรเลยสอนโลกถึงสอนด้วยคองมแน่นยำควายเอา <c oughs> ปฏิบัติบำเพ็ญตนด้วยความแม่นยําตามหลักธรรมเรนึ่เราจะเป็นผู้ตักตัวเอมามรรคเอาผลเช่นเดียวกับทั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชมอยู่เป็นแต่เพียงว่าต้องใช้าตามความบุญสากดิ์แ่ยามแต่อันนี้ท่านก็สอนมาแล้ว ว่าใช้ความพยายามใช้ความรูสา่าทุกคนทุกค น, กคนเช่นอย่างเราขุดห า, าน้ำใต้พื้นดินนี่ก็ต้องใช้ความพยายามน้ำจะอยู่ตื้นก็ต้องใช้ความพยายามเต็นกําลังน้ำอยู่ลึกก็ใช้ความพยายามขุดจนถึงน้ำเช่นเดียวกันมีมรดกนิทานจะหนาบางขนาดไหนหิเลกเป็นไัยบูกเปิกออก ด้วยความิู้ษาพยายามด้วยกันทุกคนให้พากกันอยู่เป็นพระสุขทุกคนทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการประกอบความเพียรผมไม่ไปรบกวนหรือเพือ่อนใครมายุ่งไม่ได้เพราะผมสงเคราะห์โลกผมไม่เคนพระเคยเคยให้ทำนี้ด้อยลงไปจากตัวเองนี่ก็ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะด้อยไปไหน แต่วิสุทิการต่อหมู่เพื่อนว่าหมู่เพื่อนจะด้ในความพลาคความเพียงจึงต้องเด็ชะวดกรวจการไม่ให้เขาใครเข้ามาเกี่ยวข้องงานการหากว่ามีความจําเป็นบ้างก็เชื่อเสรอนิมนพระมาช่วยเป็นการรื้อเวลานอกนั้นก็ให้เข้าสู่ภาวะปกติในการประกอบความพลาดเพียงโดยลำดับําดาไปไม่ให้เข้ามายุ่งเยื่อยุ่งวายกับโลกสงสารเขา อันนั้นเป็นเรื่องอะไรอย่างผมช่วยก็เหมือนกันผมช่วยเรื่องโลกผมก็ช่วยตัวนภายในเราไม่มีอะไรแล้วกับโรคมั น, นแต่ว่าเที่ยงหรืออะไรก็มันเที่ยงอยู่แล้วเนี่ยตั้งใจเราไม่ว่าเอ็นยังไปที่ไหนมันก็ไม่มีสอโลคสป่ยสอนด้วยความอะุปเคราะห์สงสารล้วนๆเป็นธรรมรื่องๆตลอดมาเนี่ย ท่านทั้งหลายดำเนินหน้ า, า ง, งานของตนจนเมฆจนหน่วยทุกองค์งทุกองนะยาได้ประมาทเรื่องโลกนี้คือคืนคือไฟรอบตัวของเราและรอบใจของเราอีกให้ไปยามบุกเบิกตลอดเวลาไม่ลดละความภาคความเกียจะเป็นผู้สงมงนักสมงผลเป็นที่ภาคหุมใจเลยหัวใจของเราทุกคนทุกคนเนื่อเาลวะวันนี้เพียงเ่นีน้นะเอา เติมใบ ไ, ได้เวลาเขาอยู่เรื่อลูกคุ่คานนะเดี๋ยวนี้เ็นองนั้นนะเออคิดดูที่ปัจสุบัเดี๋ยวนี้นะบางทีก็ต้องยืนปัสจุบับางทีก็นั่งปัสจุบัถ้าพอนั่งได้นะค่อนข้างแน่ใจในการลูกของตัวเองก็นั่งปัจจวะันถ้าไม่แน่ใจไปนั่งปัจสุบันไหมเออไปยืนไปนั่งปัจสุบัได้นะะ ลูกขึ้นหัวขมำผมเป็นแล้วนี่นะจนหัวนี่ก็ลงนี่ตกลงทาให้แน่ใจยืนปัตถวาแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นห่างนังน่งนี่มีกระตามหลักเขาอยู่ไห น, น, ะนะพขาคิดอะไรเคียียวัตนาชิตตัวีรารโน